ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอ พ, อพบกบดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของทศชาติคือตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมาร ความจริงเรื่องราวของทุทิชาตินี้ก็มีความสําคัญที่องค์สมเด็จพระวิษณุามารมุรมัสสัสดาสัมมาสัพพะตะเจ้าทรงยืนยันว่าในสมัยที่พระ อ, องค์กําลังบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณแล้วทรงเล่าความเป็นมาต่างๆนี่หมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสมพัพพะตะเจ้าทรงระลึกชาติได้ การนึกชาติในบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาถือว่าเป็นของธรนรรดาของบุคคลผู้เอาจิงเพราะว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงนับตั้งแต่รุ่นเด็กถึงผู้เฒ่าแล้วก็บรรดาท่านผู้มีการศึกษาดีคือนับตั้งแต่อนุบาลถึงด็อกเตอร์ ก็สามารถทํากันได้เยอะแยะแล้วเพราะว่าเป็นเวลาที่พระพุทธศาสนากําลังเร่งเรื่องขึ้นตอนนี้ไปอาตมาภาพก็อยากขอนําเอาเรื่องราวของพระจันทรภูมานซึ่งองค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟังความมีว่าสมัยหนึ่ง ที่เมืองพาราณสีเมืองนี้ตอนนั้นมีชื่อว่าเมืองปุภาวดีนี่หมายความว่าในปัจจุบันเรียกว่าเมืองพาราณสีแต่ว่าสมัยนั้นที่เดียวกันเมืองตรงนี้เขาเรียกว่าปุภาวดี <c oughs> ในเมืองปุภาวดีนี้มีกษัตริย์มีพระ น, นามว่าพระเจ้าเอกราเอเอกราชาทรงครองราชสมบัติในเมืองนั้นพระราชบุตรมีนามว่าจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุปราชมีพรามชื่อว่ากันหานมีพรามเห็นจะเป็นอะไรเป็นปุโรหิต รามที่มีความสําคัญจัดว่าเป็นอาจารย์แนะนําคําสั่งสอนของพระราชาชื่อว่ากันดาหานคนนี้เป็นเปโรหิตเจ้าบัณฑดินโนว่ากันดาหานเุโรหิตเป็นบัณฑิตคําว่าบัณฑิตหมายความคณรู้มีความรู้ดีจึงได้ทรงแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตัดสินอธิการดีตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่ง นี่หมายความว่าเวลานี้ก็เนี่ยเป็นประธานสารีกาแต่ด้ว่าในกันดาหารเป็นคนชอบกินสินบนนี่มีความรู้แนะนำพระราชาและคนอื่นให้ทรงธรรมแต่ตนเองเป็นคนทุจริตคิดมีชอบชอบกินสินบน เมื่อได้รับสินบนแล้วก็แปล ร, รูปคนดีไปในทางที่ไม่ ย, ยุติธรรม <c oughs> ตอนนี้จะเห็นว่าไอ้เรื่องคอรับชั้นและการคดยกงกันมันมีมาตั้งแต่เด็กดําบันดันั้นผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของก็ตัดสินให้เป็นเจ้าของผู้ดีเป็นเจ้าของก็กลับมาให้เป็นเจ้าของนี่บรรดาท่านพุทธบริสัท ได้จยต้องมีความรู้สึกว่าไอ้การคดโกงนี่มันเป็นของประจำโลกวันหนึ่งมีบุรษุษคนหนึ่งไปโพนทนานด่าว่าท่านปรโรหิตแปลว่าท่านปรโยิตนี่ตัดสินความไม่ยุติธรรมอยู่ในโรงวินิจฉัยอธิการดีไม่คว้าขึ้นไปบนศาลตัดสินก็ไปด่าววยวย ว่าอีตาบรหิตนี่อาคาติอาตาบรหิตไม่มีความยุติธรรมหาความซื่อตรงไม่ได้คนที่เขาเป็นเจ้าของก็ตัดสินว่าไม่ใช่เจ้าของกินสินบายฆ่าสินบทนขั้นเดินออกมาแล้วภายนอกนี่ายคนนั้นเดินออกมาภายนอกก็เห็นพระจันท ก, นนกุมารกําลังเสด็จจะเข้าไปเฝ้า ร, ราชวิดา ยิ่งได้ลงกราบแทบพระบาทแล้วก็ร้องไห้ท่านจารยพมารีได้ถามว่านี่คุณคุณมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับท่านหรือนี่เป็นสำนวนที่ท่านถามในคนนั้นก็ยิงกราบทูลว่าการดาหารกินซึ่งบนในการตัดสิ้นความพระเ้าว่ะข้าพระพุทธเจ้าเอง ก็ถูกเขากินสินบนเขารับสินบนแล้วก็ยังตัดสินให้ข้าพระองค์เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายแพ้นี่เป็นอันว่าการาหารในการกินมีนนสองทางกินสินบนทั้งฝ่ายโจดกินสินบนทั้งฝ่ายจำเลยแล้ว่าถ้าใครให้มากคนนั้นชนะเป็นอันว่าได้ทั้งสองฝ่าย บรรด า, ท, ารท่านผา้เดนศาสนาชนรับฟังไว้กับโปรดพิจารณาด้วยช่วยกันคิดว่าการทุจริตประเภทนี้มันมีมานานแต่ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไขกันได้ <c oughs> ฉะนั้นท่านจันุกุ ม, มานี้ได้กล่าวว่านี่คุณอย่าเสียใจไปเลยนะมาไปกับเราเราจะให้ความยุติธรรมแก่ท่าน เมื่อพระจานทร์กมารทรงปรอบบุรุษคนนั้นแล้วก็พาไปสู่โรงวินิจฉัยขึ้นศาลกันใหม่หยิบยกเอาอัตกรดีต่างๆขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ตัดสินโดยยุติธรรมผู้ที่เป็นเจ้าของก็ให้เป็นเจ้าของตามเดมิมผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ <c oughs> อ เป็นอนวุวาบรรดาประชาชนก็พากันสาทุกันดีใจแสดงความเคารพแสดงความชื่นชมดินดีที่พระจันทร์กุ ม, มารทรง ต, งตั้งอยู่ในทศพิตราชธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตประกอบไปด้วยกุศลเป็นที่รักขมบดาประชาชนอย่างยิ่งกันเมื่อพระราชวินดาได้สดับเสียงนั่นคือพระราชานะ ทรงสดับเสียงนั้นแล้จะด้ถามว่าท้า ม, มาที่เฝ้านะว่านี่บรรดามาทั้งหลาย <c oughs> พวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงไหมไปชาชนก็ร้องเออะวุยวอยสาธุดีแล้วขอจงเจริญอะไรเนี่ยเออะไปทั้งเมืองใกล้ๆกับพระยาฐานนี่นมันเสียงอะไรนะเมียหมายกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพ พระจันทรคุมาลฟาฮาอุปราชพระราชโอรสเกิดทากิจวินิฉัยอธิกดีแล้วก็ตัดสินอย่างยุติธรรมพระเจ้าค่ะเสียงนั่นก็คือเสียงสาธากายของมหาชนพระเจ้าค่ะพระราชาได้โสงสดับดันั้นก็ทรงโสม น, นัสทรงโสมนัสหมายถึงว่าชอบใจเมื่อพระจันทรคุมาลเข้ามาเฝ้าจึงได้าถามว่านี่แนะ่ พ่อจันทุมาพ่อได้ยินเสียงเขาโจทย์จันกันว่าเจ้าตัดสินความเรื่องหนึ่งหรือพะแจังทุกมานก็กราบทูลว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระราชาจึงได้ทรงตรามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะพ่อขอมอบ ให้เจ้าคนเดียวเท่านั้นเป็นผู้วินิจฉัยอธิกดีต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้จันทกุมารทําหน้าที่วินิจฉัยอธิกดีผลประโยชน์ของกันดารานก็ขาดลงตอนนี้ผลประโยชน์ขาดกันแล้วนะฟังให้ดีว่าตอนนี้กันดารานผลประโยชน์ขาดไป เป็นอันว่าพระจัทนทรกุมารทำดีแต่ไม่เป็นที่ชอบใจของท่านโปรโิตนับตั้งแต่นั้นมาในกันเาหารยังได้ผูกเอาคาดแล้วคอยเพ่งเล็งจะจับผิดพระจัทนทรกุมาลอยู่ตลอดเวลานี่ก็ถือว่าทุเจริตนี่มันครองโลกเมื่อพระเจ้าเอกาเอกาาชาทรงมีสติปัญญาอ่อนเข้าว่าอย่างนั้นเอาอยู่แล้ว ตามธรรมราคือพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพระเอกราชาพระราชวิดามีปัญญาอ่อนมักจะเชื่อคนง่าย <c oughs> ในคืนวันหนึ่งพระองค์ได้สุ บ, บินขึ้นนอนฝันไปว่าได้พบแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่สุขารมย่างยิ่ง มีเวทียันต์ประสา์สวยงามเรียงรายไปธีนางฟ้าและบรรดานางฟ้าพวกนั้นก็ขับร้องประโคมดนตรีมีสวนนันทวันน่ารื่นรมและก็ซุ้มประตูอณาลงกดมาอันลงกฎใ้แปลไวิหาสวยเป็นพิเศษแทนตื่นจากบรรทมก็ทรงปราร ได้ทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ดินแดนอันนั้นหมายความอยากจะได้เมืองดาวดึงเอาอยแล้วแต่ว่าอยากแบบนี้ดีจึงได้รับสั่งให้การหากรรทหารผู้ที่พระองค์ทรงนับถือว่าเป็นบัณฑิตเข้ามาเฝ้าและจึงได้ทรงถามในหันทางที่จะไปยังแดนสวรรค์นั้น ด้วยทรงเข้าพระทัยว่าอาจารย์กันดาหานข้าพระองค์จะบอกให้ได้ตอนนี้ถึงจังหวะแล้วที่กันดาหานจะแก้แทนพระจันทุมาเมื่อกันดาหานเข้ามาเฝ้าจึงได้ทรงถามว่าท่านอาจารย์ท่านเป็นคนฉลาดในอัธรธรรมขอจงบอกทางไปสวรรค์แก่เราแนะ่ เออเรื่องสวรรค์ น, นี่นะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเราจะไปดูกันได้ไหมแต่ความจริงเวลานี้นะบรรดาเด็กเล็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลและถึงนักเรียนในร้อยนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนในร้อยตำรวจและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ขัน้นพลเอก คนที่มีความรู้ปัญญาตั้งแต่ด็กเติบเข้าไปกันได้เยอะแล้วนะเข้าไปกันได้จริงๆเวลานี้ปรากฏว่าตามสำนักต่างๆเกือบจะทั่วประเทศไทยก็สอนอภินยาสมาบัติบ้างสอนเพื่อกรมาฐานด้านปกติก็ว่าเพื่อกรมาฐานเนี่ยมีอยู่4ีอย่างนั่นก็คือหนึ่งสุขาวิปัสสโก สำหรับสุขาวิปัสสโกนี่ถ้าหากว่าปฏิบัติกันไปก็ไม่เห็นอะไรทั้งหมดแต่ว่าสามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเธตหานหมายความว่าไม่มีทิพฐิจุยานไม่มีการรู้การเห็นใดๆนอกจากใช้ปัญญาพิจารณาทรงสมาธิทรงศีลบริสุทธิ์สำหรับเตวิโชคือวิชาสาม ปิชาสามนี้ก็ตอนที่เป็นชาญโลกีก็มีอารมณ์ฝึกอยูสองอย่างคือทรรมทิปยจุคยานให้ปรากฏงั้นได้ทิปยจุคยานแล้วก็ทรรมปุเพนิวาสานุสติยานให้ปรากฏคำว่าปุเพนิวาสานุสติยานนี้ก็หมายความว่าสามารถเล็กชาติได้โดยไม่จำกัดแต่ดูว่า ต้องทำให้ได้ตั้งแต่ในสมัยในสมัยที่ยังเป็นชาโลกีเรียกว่าสองในวิชาสามะวิชาสารก็หมายว่าหนึ่งปุเพนิวาสานุทพิยานนรึกชาติได้แล้กวก็สองออขอโทษหนึ่งที่เป็นจุคุ ย, ยานสามารถเห็นผีเห็นนรกเห็นเทวดาได้ แล้วก็สองปุเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาญได้นี่ก็สี่อาสวัคยญาณอาสวัคคยญาณย น, นี่สามารถทำกิเลสให้สิ้นเป็นได้คือเป็นพระอริยเจ้สาสําหรับวิชาสามนี่เห็นย่าลืมนะว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้แล้วก็สามารถจละระลึกชาญได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงร ะ, ะลึกชาญ ว่าพระองค์ทรงทราบว่าสมัยหนึ่งทรงเป็นพระจันทร์พร ม, มารนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หลักูตรที่สองในการปฏิบัติกรรมฐานนั่นคือคือี่ว่าชลาพิญโยที่ว่าพิญญาหกผู้ที่ได้พิญญาหกนี้จะมีคนวิเศษดังนี้คือหนึ่งแสดงฤทธิ์ได้สองมีหูเป็นทิพย์ สามารถจะฟังเสียงที่ไกลแสงไกลได้ฟังเสียงทิพย์ก็ได้นี่ะสามเจโตปิยญายานรู้จัดกำหนดใจไม่ความรู้กำลังใจความเคลื่อนไหวจิตของคนอื่ น, นว่าเขาคิดอะไรนี่ะสี่ปุเพนิวาสนานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้เนี่ก็ห้าทิพยจุภิญญาณมีตาเป็นทิพย นี่ถ้ายอย่างนี้ทำให้ได้ในช่วงระหว่งางฌานโลกีแล้วก็อาสวะคคายายข้อดีหกทำอาศาวะคกิเลสให้สิ้นไปในอันดับที่สี่ในการปฏิบัติไปกรรมฐานที่จะเรียกว่าปฏิสัมมิทายานปฏิสัมมิทายานก็มีคุณธรรมเหมือนกับท่านที่ได้ทิพวาิชาสามและปัญญาหก จะได้มากกว่านั้นไปอีกอันหนึ่นงนั่นก็คืออ่าว่าที่ได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกสี่ก็คือสามารถแตกฉานในอักยาศัยว่าจาใดๆที่วกล่าวมาโดยอาจสามารถอธิบายให้เข้าใจชัดเจนได้และก็สองมีปัญญาแตกฉานในธรรมทั้งหมดถามไม่จนแน่ ทกสามมีปัญญาตแตกฉานในภาษาเพื่อสา ม, มารถจะรู้ภาษาต่างๆได้โดยไม่ต้องเรียนที่ก็สี่แตกฉานในปฏิพัน์คือหมายความว่ามีความฉลาดเป็นพิเศษมีความฉับไวในการรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าปริสมิทายานฉจนนั้นต่อในร ะ, ระดับในระหว่างนี้ถ้าบรรดาท่านฟุตบริสัท ไปได้ยิงข่าวว่าใครเข้าไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวนรกได้ไปเที่ยวพรหมโลกได้ <c oughs> สามารถจะติดต่อกับเทวดาได้อันนี้เป็นของจริงเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความรู้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทไว้ตามที่นําเรื่องจันทกุ ม, มารมาเล่าให้สูก่กันฟังก็เป็นอนุวาพาพราะพุทธเจ้า เ, เล่าให้ฟังในชาตินี้ แต่ว่าสมเด็จพระจินทรสีทรงทราบว่าสมัยหนึ่งพระองค์ทรงเกิดเป็นพระจันทกุมารและก็รู้เรื่องราวต่างๆทั้งหมดไม่ใช่สมัยเดียวเท่านั้นเรื่องราวที่ปลายกฏพระองค์สมเด็จพระบรมโซคดทรงเล่าให้ฟังก็เพราะอาศัยที่พระองค์ทรงอภินยาสมาบัติใน <c oughs> ความรู้นี่องค์สมเด็จพระทรงเสวัสดีโสภาคก็ไม่ทรงปิดบงัง เป็นนั้นว่าถ้าสมัยนี้นะถ้าใครเขาพูดว่าเทวดาไม่มีในการรู้การเห็นว่าเป็นอุปาทานเขาอย่าไปเชื่อเขานะเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบว่าท่านพูดนั้นน่ะท่านศึกษาอะไรไว้บ้างอ่านแต่หนังสือว่าปฏิบัติถึงปฏิสัมิทาญาณแล้ว ความจริงเวลานี้เด็กเล็กๆ ก, ก็สามารถทํากันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ทํากันได้ดีนแต่ทางนี้ขบรนดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นคนสอนนะที่พูดนี่ไม่ใช่ความสามารถเขาจะมาแต่เป็นความสามารถขบัรดาอาจารย์ต่างๆที่เรีนสอนกัน ในเวลานี้แล้วก็เป็นการสร้างสรรษาธาของบุคุณทั้งหลายให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทำเด็กและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงให้เป็นผผู้ทรงศีลห้าบริสุทธิ์ถึงกับนักเรียนในร้อ ย, น, ย, น, น, อยอาานักเรียนในเรืออากาศนักเรียนในเรือและนักเรียนในร้อยตำรวจเคยมาหาธรมมาในฐานะที่เธอปฏิบัติได้ แล้วเธอก็คิดว่าถ้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่าข้าราชการชั้นหมดหรือคงทั้งคนทั้งหมดสามารถทรงสินห้าได้เป็นปกติอย่างนี้ประเทศชาติจะมีความรูงเรื่องเห็นไหมบรรดาท่านผู้ธบริษัทเด็กหนุ่มเด็กสาวเวลานี้สนใจในธรรมพิเศษนี้กันมาก ตามโรงเรียนต่า ง, างๆที่ก็ออกปากวอาแมมพอนเด็กทำได้ครูท่านผู้ใหญ่รู้สึกว่าสบายใจมากการควบคุมได้สะดวกดีอาทิตย์ที่พูดอย่างนี้ก็ว่ามีคนมาถามไว้ว่ามีบางท่านบอกว่าเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีแต่ใครเป็นคนพูดอัตมาย ก, ก็ไม่ทราบ อาตมาก็ขอยืนยันว่ามีว่าตมาเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระจินสีต้องเชื่อพระพุทธเจ้า <c oughs> และก็ไม่ได้เชื่อโดยที่มุกสัทธาค้นคว้ามาเหมือนกันเรื่องนี้ขอาผ่านไปข้าภัายนะสี่เวลาไปเยอะ <c oughs> เป็นอันว่าเมือเอ่อท่านกันดาหานได้ทราบว่าพระราชาต้องการสวรรค์ท่านดาวดึง แล้วก็เป็นโอกาสที่คนอย่างเราจะแก้ผิดได้เมื่อการทหารได้ฟังพระราชาทรงตรัสแล้วก็อยากจะไปอยู่ตาวดิงอยากจะได้เมืองนั้นอ่านจึงได้ตอ น, นแล้วก็เมื่อการทหารเข้ามาเป้านะั้นเล่าตอนนี้นะเมื่อท่านพระราชายินดีทรงตรัสถามว่าท่านเป็นคนฉลาดใ น, นอัตธรรม ขอจุมบอกทางไปสวรรค์แกเราตามปกติดันกันดาหานเป็นคนผู้โงเ่เขลางง่งายอยู่แล้วโอ้โหนี่พระราชาท่านก็นเลยเอาคนโง่เขมาสอนอีกแต่ได้ว่าจะไว้ว่าท่านเลยนะเพราะเวลานั้นะไม่มีใค ร, รแสดงตนว่าเป็นคนฉนลาด ก, กว่ากันดาหานกันดาหานมีลิ้นตวัดไถ่ทอยอยู่ตลอดเวลา แกนั้นเมื่อพระราชาทรงตัสถามมีความต้องการอย่างนั้นเมื่อถูกพระราชาผู้มีสติปัญญาอ่อนถามเช่นนั้น <c oughs> <c oughs> ก็เท่ากับบุรุษผู้หลงทางมาได้รด้ประมาณจิตวันถามคนหนึ่งซึ่งหลงทางมาแล้วตั้งครึ่งเดือนโอ้โหโนี่เป็นอนว่าเขาว่าพระราชาปัญญาอ่อน ไปอีกการต่างการทหารนี่ก็ยังอ่อนกว่าไปอีกฟังท่านต่อไปการทหารพรามณ์ยังได้คิดว่าคราวนี้ได้โอกาสแล้วเมื่อจันทระมาณสิ้นชีวิตลงลาภยศที่เราเสียมไปก็จะกลับมาเอาละสินะความาคาดมารรายเคยเห็นแล้วคืนมาหาเราตอนนี้ลาภจะมาแล้วเราจะรวยกันใหญ่ สมความปรารถนาที่เราต้องการจะแก้ผิดจันุกมานมานานแล้วยจียงลีทูลตอบว่าข่าแต่สมมติเทพนรยชน น, นหลายกระทำบุญให้ทานและฆ่าบุคคลที่ไม่ควรจะฆ่านี่ย่อมไปสู่สุกติสวรรค์ น, นั่นได้พระเจ้าค่าเอาคนแล้วสิคือคนที่ทำบุญด้วย ทำบุญก็หมายถึงทำความดีการให้ทานด้วยให้ทานในมันที่การสงเคราะห์ในวัตถุให้คนที่มีความทุกข์ได้มีความสุขตามฐานะที่เราจะสงเคราะห์ได้หรือให้ทานแกสัตว์ผู้ยากไรแต่ว่านี่ใช้ได้เนี่ยไปไปไปสวรรค์ได้แต่ว่าตอนท้ายแกมาลงลบกต้องฆ่าคนที่ไม่ควรจะฆ่าหมายที่คนดี ถ้าสามารถฆ่าคนที่มีความดีได้บุญตนนี้เป็นบุญใหญ่มากย่อมสามารถจะพาคนนั้นคนที่สั่งการแนละทำการฆ่านั้นไปสู่สุคติคือสวรรค์ทีนับปรดึงได้พระเจ้าค่ะฟังของแกดูให้ดีฟังเรื่องราวต่อไปนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทวยพระชาติเป็นพระจันทกุมาร ท่านต้องลำบากอย่างนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทโดนมั่งเราคิดคิดอยู่นะว่าการทำดีเนะี่ยย่อมไม่เป็นที่ถูกใจของคนเหลวเล่าเรื่องแลท่านต่อไป ท, ท่านขอหมดว่าหนึ่งทำบุญสองให้ทานแล้วฆ่าคนที่ไม่ควรฆ่าตอนนี้รามทนไว้เสมอเสมอ ว่าทำอย่างนี้พะโยค่ะการที่จะไปสวรรค์ชั้นดวดึงได้แก่พูดซ้ำๆว่าหนึ่งต้องทำบุญสองต้องให้ทานและก็สามฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าจะได้ไปสวรรค์ถ้าเช่นนั้นจะให้การบูชายันหรือว่าถ้าเช่นนั้น ก็ควรจะทำการบูชายันฆ่าสัตว์ลหลายประเภทที่เป็นสัตว์ที่มีคุณราชาจึงสนตัดถามว่าถ้าอย่างนั้นจะให้เราทำการบูชายัญได้ยังไงพระอามพระรามยินีกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์มีพระดำรัสถวแลว้วไวเจ้าค่ะ ควรที่จะบูชายันด้วยพระราชบุตรพระมเหสีและก็ชาวนิคมโคอสุภราชและก็ม้าชาในทั้งหลายอย่างละสีละสีดังที่เรียกกันว่าบูชาด้วยหมดสีแห่งสัตว์ทั้งปวงพยากาแให้ฟังกห้กลาบทูลทูนินดนิดดีไหม คนเลวย่อมเห็นว่าสิ่งที่ผิดเป็นของดีไม่ได้มุ่งอะไรมีความสาคัญไม่ได้หวังเพื่อชาติเ พ, พื่อศาสนาเพื่อบังคับสัตว์และชนให้มีความสุขต้องการอย่างเดียวชั้นสุขแก่ทุกช่างเขาพบทวนิีทีนะเขากราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์มีพระดำรัสถูกแล้วพระเจ้าค่ะควรที่จะบูชายันหนึ่นนง เอาพระราชบุตรคือพระจันทรุมานมานี่เราสองข้ามเหสีสามชาวบ้านาน่อาชานีคงเรียกว่าชาวบ้านนะสี่โคสุภ ร, ราชนี่เป็นคูโคท่านเป็นเสด็จและก็อาชาในทั้งหลายม้าชาในเป็นม้ารบม้าที่มีความสำคัญอย่างละ้ ส, ลสี่ไสี่ ที่เรียกกันว่าบูชาด้วยหมดสี่แห่งสัตว์ทั้งปวงคือลูกชายสี่คนเมียสีค น, าคนชาวบ้านสี่คนโคสุปราชสี่คนโคสุปราศสีตัวม้าชาในาสี่ตัวเป็นนันว่าอย่างละสีละสีเป็นวิธีที่อย่าแก้แค้นแต่ว่าใกจะบอกเอาไฟจันทร์ทประมาณองค์เดียวนี่มันจะมองมองแล้วก็ไม่ น, าน่า ไม่น่าจะเชื่อก็เลยเอาเข้าหมดล้นอย่างนั้นเสียสิแต่ถ้าว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นว่ายังฆ่ากันไม่ได้กระมังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดเสร็จแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะมาก็ต้องขอยับยั้งไว้แต่เพียงเท่านี้วันหน้าฟังต่อไป สำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะโมงคลสมบูรณ์ูลผ ล, ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี